ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا أمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบเด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตัฟซิกในวันนี้ทุกท่านวันนี้นะครับอยู่ในสุรฮูดวันนี้หาอายะอายาที่เจถึงอายาที่เจห้า สุวฮูดนะครับ71 72 73 74แล้วก็75เนื้อหาในวันนี้นะครับนะอันนี้เป็นเกินาๆก่อนระหว่างที่พี่น้องเตรียมตัวนะครับผ่อนคลายบ้างเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวข้องกับท่านอบีุบรอฮีมอะลลยฮิสลาม มันเป็นออกประวัติศาสตร์ต่อกันมานาบีนัวต่อมาผู้อาตผู้สมูธนะครับเดีย๋ยวจะมานบีบรอฮีมนบีลูดและกันไล่ไปเหตุการณ์ในวันนี้นะพี่น้องนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์สอนไปนะครับอาญะที่เท่าไหร่ล่ะ อายะที่69กับ70ผมทวนให้ฟังพอมันจะเกี่ยวกันในอายะก่อนหน้านี้เนี่นะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่มะเลยกาเนี่ยมหาธนาบีเบรอฮิมนะมหาธนาบีเบร์ฮิมมาเป็นมาเป็นคนปกติ ก็นบีบรหิมก็อะไรเอ่ยมกยกาบอกว่ากลูสลา ม, มาให้สลามนาบีบรหิมนบีบรหิมก็บอกกอรัสสลามุลฟามาลเลบิซาอันเจอบิอิจลินฮานิสอันนี้เป็นอายะกันกรามุนทูลในฝั่งแขกมาให้สลามนะครับนบีบรหีมก็ให้สลามตอบกลับไปนอกจากนี้ก็ยังเอาอาหารมาเลียงนะอิจลินฮานิสเนี่ยบางคนแปลว่าเป็น เนื้อลูกบัวย่าไม่ไม่อยู่ในเนื้อหาในวันนี้นะครับอยู่ในเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วผมทวนในฝั่งเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะอธิมายถึงลักษณะของทั้งนายบิบรอาหิมในอายะสุดท้ายอายะที่75ในวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินนายบิบเบลอาหิมนะและฮาลีมุนอวะฮุนมุนีบบอกว่านายบิบรอาหิมเเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความโกรธจิตใจอ่อนโยน แล้วก็หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์เสมอนั่นคืออายะห์ที่เจ็สิบห้าซึ่งอยู่ในอายะห์สุดท้ายของวันนี้ครนี้ก็อ่านเนี่ยเล่าถึงลักษณะนา บ, บิบรอยฮีไม่ฟังว่าเป็นคนยังไงผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาสรุปมุมว่าเอที่ว่านาบิบรอยฮีฮารีมเนี่ยฮาลีมจริงไหมอดทนต่อความโกรธจริงไหมอวาฮุนเนี่ย ออนโยนน่จริงไหมมูนีรับประหันหน้าก็หาอัลลอ์ น, น่จริงหมมาดูนิสัยนบีเบรอฮมตอนที่มาดามะลกามาห้าหานาบีบรอฮมเนี่ยนะครับอัลล์าบอก ว, ว่าวลกลจยอัรูซูลูนาอิบรอฮม ม, ม, ม, าามากมีมะลกาจำแนงว่าเป็นคนแล้วนะครับและหลายคนเี่มาหานาบลอ์เบรอฮมนะเอาข่าวดีมาแจ้ง อันนี้ทวนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็กรุสาลาม์สาลามันมลายกให้สาลามนาบีบรหิมว่ากรุและสาลาหมุนนาะให้สาลามตอบเหมือนกันนี่เป็นมรารยาทของนบีบรอหีมในการต้อนรับแขกแน่นอนวอมลารามลายกามาเนี่ยพี่น้องจำแงลงราดเป็นค น, นยังใครใครก็ไม่รู้จักไม่ทราบเลยมากกลุ่มหนึ่งนบีบรหิมทําการต้อ น, นรับนอกจากนั้นเนี่ยฟามานและบีซ่า ดูก้ออ่านใช้สำนวนนะครับฟามาเลบิซาอันยาบิจลินฮานิวายกามาเนี่ยก็อ่าบอกว่าฟามาเลบิซาช่วเวลา ช, วาวช่วคราวช่วคู่ไม่เสียเวลานานเลยเนี่ยนะครับนบีิบร์ฮิมก็ไปเตรียมอาหารมาให้นี่มายาติบิบร์ฮิมนะใครก็ไม่ทราบพี่น้องนึกภาพ เ, เหตุการณ์ไม่ได้เกิดที่บานป่าไม่ได้เกิดที่หลอแหลนะเป็นทะเลทรายนึกภาพอ่าไหม แล้วก็มีคนแบกหน้ามากลุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องคิ ด, ดูข้างหลังก็มีทั้งภรรยามีทั้งลูกแล้วตัวเองเป็นผู้ชายคนเดียวคือนบีบรอรหิมแต่ว่าให้การต้อนรับแขก น, นี่คือจิตใจที่ดีของนบีบรารหิมต้อนรับเนี่ยด้วยกับคําพูดที่ดีให้สลามไม่ใช่พูดดีๆเฉยๆพี่น้องเตรียมอาหารมาให้เลยแปลว่าพาเข้าบูงเข้าบ้านเรียบร้อยแล้ว นี่คือมารยาทในการต้อนรับแขกของน บ, บีบรหิมพี่น้องดูนะของที่เตรียมให้เนี่ยไม่ใช่น้ำเปล่านะบ้านเราบางทีก็ให้น้ำอุฐัยทิพย์น บ, บีบรหิมเตรียมของหนักเลยลูกวัวย่างถือว่าเลิศนะในทะเลทรายเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วัวตัดหักแต่เป็นลูกวัวซึ่งเนื้ออ่อนเนื้อนุ่มแล้วก็ย่างเลี้ยงอาหารมื้อหนักเลย นักทัศนศิษอธิบายต่อไปอีกพี่น้องนี่ยังไม่เข้าเนื้อหาในวันนี้เลยผมเล่าให้ฟังก่อนทําไมต้องเป็นเนื้อลูกวัวย่างหนึ่งในด้านวัตถุดิบถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดปกติอาจจะไม่กินแต่แขกมาเนี่ยเอาออกมาให้แขกกินแขกเป็นใครทราบไหมไม่ทราบนี่มาทีาจารยพี่รอฮิมนะแล้วก็เลือกใช้วิธีย่างเพื่อที่จะให้มันสุกไวที่สุด แน่นอนมันจะไม่มีกระทงกระทะใช้น้ํามันไอ้ใช้น้ํามันเนี่ยปกติปกติแล้วในวิถีชีวิตมาที่หลังนามาจากจีนเรื่องการทอดเนี่ยของไทยสมัยก่อนก็ยากเหมือนกันอาหารพื้นเมืองเนี่ยย่งยา ง, ยางแห้งๆทอดใช้กระทะใช้น้ํามันนี่มาจากจีนวิธีที่ทําอาหารได้ไวที่สุดก็คือการยา่างทา น, นิสแปลว่ามัชวีแปลว่ยาย่าง แขกมาเชิญเข้าบ้านให้สลาต้อนรับแล้วก็เตรียมอาหารที่ดีที่สุดแล้วก็ไวที่สุดให้กับแขกนี่คือนี่คือนิสัยน บ, บีบรหิมความเป็นอ่อนโยนเอื้อเฟื้อนี่คือนบีบรหิมนะเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปในกุอานเล่าว่าฟาัมมาราอาไอเดียฮุมลาตาซซลูอิลาฮีนักีราฮุม พอเชิญแขกเข้ามาแล้วหลายคนก็มาบ้านแล้วเอาอาหารไปให้แล้วแขกไม่กินอะมือเนี่ยไม่ไม่เอื้อมไปหยิบอาหารก็คือไม่กินกูอ่านก็บอกว่าหัวอายะซามินหุมคลฟะนบีบอกว่าเหตุเาเกิดความกลัวเกิดขึ้นอันนี้ผมเล่าย้อนนะครับในเอกสารสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าอะไรล่ะแขกมาแล้วทําดีทุกอย่างเตรียมทุกอย่างแต่แขกไม่กิน เกรงว่าแขกจะมาด้วยกับจุประสงค์อื่นน บ, บีบระทิมเริ่มกลัวเอาอยะศาลมหุ่งทีฟะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจคือถ้าปกติเจ้าภาพทำการต้อนรับเตรียมอาหารให้แขกปกติก็จะกินแต่ว่าแขกกลุ่มนี้ไม่ปกติไม่มีใครกินเลยทั้งท้งที่เป็นอาหารที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นก็เกิดความกังวลเกิดขึ้นตัวคนเดียวไม่เป็นไรบุชาย ข้าหลังยังมีลูกมีภรรยากลัวนบีมูฮัมมัดก็มีความกังวลเกิดขึ้นมันดาม์เบลกาเลยบอกว่ากอลูลาตะครับไม่ต้องกลัวอินนาอุสซินนาอิลาเกามีลูดเนี่ยนะครับมบลกาก็บอกว่าตัวเองเป็นใครอัลลอฮ์ส่งมาเป็นเบลกาส่งมาที่กลุ่มชนของนบีลูดออันนี้เหตุการณ์พี่น้องฟังคร่าวๆนะครับเอ อ, อะไรล่ะ ทำไมเอ่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านนาบีบรอฮิมจะเป็นเต็นเป็นอะไรกันแล้วแต่มีภรรยาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีบรรดาอิมาไลกะมาครนี้ตอนที่แจ้งข่าวดีเนี่ยนะเอาข่าวดีมาให้กูอ่านเล่าต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง น, นี่คือการใช้สํานว์กูอ่านนะในอายะที่71็เนื้อหาในวันนี้เนี่ย ว่มรัตุวเก่ค อ, ค อ, ค อ, อิมาตุนฟดฮิกัตพระยาของนบีบรหีมยืนอยู่แล้วก็ดหิกัตหัวเราะดีใจทำไมที่ดีใจเพราะว่าฟะบาชับนาฮาเราได้แจ้งข่าวดีให้มมยก้ามาบอกบิอิสหากว่าจะมีลูกอิสหาก วอมินวราอีอิชากยะกูบหลังจากอิสชากไม่พอก็จะมียะกูบอีกเป็นข่าวดีแจ้งกับพระนางซาระภรราของนบีบรอฮิมเนี่ยอันนี้ผมเล่าประวัติให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้ถือเป็นชั่วโมงประวัติกเกี่ยวกับนบีบรอฮิมนบีบรอฮิมนถือเป็นต้นตระกูลอัมบียะ เป็นต้นตระกูลบรรด า, าศาสนทูตาศาสนาทูตติดตามมาข้างหลังเนี่ยส่วนมากเป็นลูกหลานนบีบรอฮีหมดนบีบรอฮีฮแต่งงานเนี่ยพนานซาราคนที้หนึ่งคือคนเนี่ยคนที่ยืนในกระโหลกเนี่ยนะครับไม่มีลูกเลยมีตอนแก่เนี่ยเยวก็อ่านจะเล่าให้ฟังว่าเออพอไมค้ามาบอกว่าจะมีลูกเนี่ยพนานซาราก็ดีใจนะแต่ก็แปลกใจด้วยว่าเอ๊ฉันน่ะแก่แล้ว ทำไมถึงจะมีลูกได้ตัวเองกับแก่สามีกัแก่จะมีลูกตอนแกเราดีใจไม่กล้าเอาข่าวดีมาบอกว่าจะมีอิสหากเท่านั้นไม่พอมีลูกไม่พอมีหลานด้วยก็คือยะกูนี่คือสายของประนานซาร่าพี่น้องบางคนจําได้บางคนจำไม่ได้ผมจะทวนนิดนสายในาบิเรอฮีนเนี่ยเป็นสายนาบิอิสหกัก ถ้าถ้าแม่ซาร่าเนี่ยแม่ที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นนบีอิสฮากและนบีอิสฮากก็เป็นนบียะกูบนะนบียะกูบลูกคือใครลูกคือนบียูซุปพร้อมกับพี่น้องอีกสิบสองคนนบียูซุปเป็นหนึ่งคนที่สิบเอ็ดนะแล้วสิบสองคนที่ว่าก็เป็นต้นตระกูลของชาวบริษัทรออีนทั้งสิบสองเผ่าไม่งงนะอิบรอยฮีมแม่ก็คือซาร่าลูกคืออิสฮาก อิสฮะคือยะกูบไล่มายะกูบก็มีลูกนบีคือนบียูซุปและก็พี่น้องอ2สคนเป็นต้นตระกูลชาวบเนิอิสราอินก็แปลว่าสายนี้เนี่ยนบียูซุปนี่ไม่ธรรมดาพี่น้องตัวเองเป็นนบีพ่อเป็นนบีนบียะกูบปู่เป็นนบีนบีอิสฮะเอแล้วก็พ่อกับปู่คือแหละทวดทวดก็เป็นนบีคือนบีมุฮัมมัดนบียูซุปมีเกียรติมาก นะครับแล้วก็ไอ12เผ่าเนี่ยก็เป็นชาวบันิสรออีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนบ si mm ีสุไลมานไม่ใช่สารนยูซุบหรอกนบีดาวูดนบีอะไรเต็มไปหมดเลยตนตระกูลมาสายนี้นะครับคราวนี้อีกสายหนึ่งเนี่ยที่เราจะคุ้นเคยหน่อยคือพนานขายัดพนานขายัดเนี่ยเป็นภรรยาคนที่สองาองนบีบรอฮีมมีลูกคือนบีอิสมาอีนพี่นรอาจจะเคยฟังประวัติ ทีบขอดูกออกมาหาน้ําไม่ได้วิ่งหาน้ำเจ็รอบก็กลายเป็นการเสเอะระหว่างโซฟากับมารว่าคนไปทําพั์กันเนี่ยนะครับนบีบรหีมก็นบีอิสมาอินทีบถีบถีบถีพื้นน้ําซําๆออกมาถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นสายอาหับก็จะมาสายพนาขายัตนบีอิสมาอินเป็นต้นตนระ ก, กูลชาวอาหักกรไหลมาตกทอดออกมาถึงนบีมูฮัมมัดอันนี้สายนี้นะครับครั้นี้ นบี บ, บรอกฮีมเนี่ยในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์เห็นว่าหลังจากที่บรราฮายัดกับบรราซาร์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนบี บ, บรอกฮีมแต่งงานอีกสองคนชื่อกอตูร์กับฮาญูนี่พยานคนที่สามคนที่สี่นะหลังจากสองคนแรกเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นทัศน์นาบีน้องไม่ต้องไปยึดไตตัวทางประวัติศาสตร์บางคนก็บอกว่ากอตูร์กับฮาญูนีน่ไม่มีจริงเป็นอีกชื่อหนึ่งของซาร์กับฮายัตพวกเราอาลัม นะอันนี้เล่าให้ฟังแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คื อ, อ, อพญาตถ้ามีจริงคนที่สามคือกอรตูร์เนี่ยก็มีลูกมาอีกเจ็ดคนถ้าผมจำไม่ผิดหกเจ็ดคนนี่แหละแล้วก็มีมัตยานด้วยแล้วบางคนก็พยายามเชื่อมโยงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมาทางสายนี้นี่จะจริงไหมจริงอีกประเด็นหนึ่งแต่มีคนก็พูดกัน ก็พยายามโยงว่าเป็นลูกหลานนบีบรอฮีมเหมือนกันสายไหนสายซาราใช่ไหมไม่ใช่สายฮายัดใช่ไหมไม่ใช่สายกอตูรทองมัตยานมาค้นก็บอกนี่แหละเดินทางมาที่อินเดียเป็นอารยันเป็นนู่นเป็นนี่ลากออกมาถึงศักยะถึงพระพุทธเจ้ามีคนอธิบายแบบนี้บางคนก็ไปไกลกว่านั้นบอกว่าสายตระกูลนี้เป็นต้นตระกูลของชาวมลายูมุสลิมเราในเอเชียตะวันออกเฉินใต้ก็มีคนพูดแบบนี้ ประเด็นแบบนี้ฟังไว้เฉยๆพี่น้องไม่ต้องไปฟันธงว่าซอเฮียไหมซอเฮียเมื่อเป็นประวัติศาสตร์บางคนพูดแบบนี้บางคนทูกแบบนั้นบางคนเสนอว่ากัตตัรอนนี่ไม่มีจริงเป็นอีกชื่อหนึ่งของพนันหายัตหรือพานานสาระก็มีคนเสนอแบบนี้เช่นเดียวกันอ่านี่ฟังไว้เป็นเป็นเก็บความรู้คร่าวๆนะครับครนี้เนื้อหาในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพานานสาร์ ปกติมุสลิมเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับพนาฮายัตมากกว่าเพราะทําไมละ่ะเพราะลูกคือนบีอิสมาอีนมีการเชืิญกุรอานอีดใหญ่ก็จะพูดถึงนบีอิสมาอีนก็จะพูดถึงแม่โดยพนาฮายัตด้วยนบีบรอยฮิมด้วยเวลาพูดถึงกาบาเอา้นานบีอิสมาอีนช่วยพ่อสร้างเราจะคุ้นเคยกับพนาฮายัดมากกว่านะแต่วันนี้พูดถึงพนาซาร์พนาซาร์เนี่ยตอนที่ฟังข่าวดีบุชรอไปกว่าข่าวดี มารากามาแจ้งเนี่ยพนันสะทอนเนี่ยเป็นคนเตรียมอาหารในธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะบอกเป็นบติอินก็ได้นะแขกมาเนี่ยสามีเนี่ยมาคุยภรรยาี่ก็ไม่เสนอนานภะรรยาไปอยู่ข้างหลังเรื่องของผู้หญิงไม่ต้องมาเสนอกับแขกไม่ใช่เรื่องของการกิดการทางเพศทะ่วไม่เต่าเทียมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ พอแขกมากับเป็นผู้ชายผู้หญิงจะมานั่งยังไงละ่ะเอา้าก็ไปเตรียมอาหารเตรียมอะไรอยู่ข้างหลังแต่ว่าตอนที่แจ้งข่าวดีเนี่ยในในไบเบิลเนี่ยนะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าพระนางซาออนเนี่ยเตรียมอาหารอยู่แล้วก็มาได้ยินฟังพอดีข่าวดีที่ว่าจะมีลูกเนี่ยก็เลยหัวเราะอันนี่เป็นอิสราเอลิยัตจริงกันได้ไม่จริงกันได้ฟังเพื่อประดับความรู้ไม่ต้องว่าเพราะว่ายิบต้องจริงหรือว่าเพราะวายิบต้องปฏิเสธ ฟังไว้เท่านั้นคำอธิบายก็ว่าดอิกัดหัวเราะเนี่ยพ่อพนางซาร่าในตามอิสราเอลนีย่ า, น, ยานะจากเรื่องเล่าของชาวอิสราเอลีนเนี่ยพนางซาร่ามาได้ยินยืนอยู่ที่เต็นจะมีลูกแล้วจะมีหลานก็เลยหัวเราะมีคำอธิบายที่หนึ่งนะครับผมก็ให้น้ำหนักทั้งนี้มีคำอธิบายคำหนึ่งแปลกหน่อยดอยกัด oh ในที่นี้เนี่ยบางคนตีความหมายแปลว่า ไฮดอทหรือว่าขดอทก็คือจะมีประจําเดือนไปเชื่อมโยงกับอะไรก็แล้วแต่ตีความทางความหมายนะสูปแล้วก็คือว่าข่าวดีมาถึงพนาสาระก็แล้วกันนะแล้วพนาสาระก็ดีใจจะมีประจําเดือนหรือว่าแอบฟังก็เป็นรายละเอียดของประวัติศาสตร์ไม่ส่งผลอะไรทั้งสิ้นต่อการศรัทธาข่าวดีที่แจ้งพี่น้อง พี่น้องบางคนบอกว่าเอมีลูกเนี่งมันยังไงทำไมจะเป็นข่าวดีพระนางสาวดีใจมากเพราะพระนาหายัดเนี่ยทําไมล่ะภรรยาคนที่สองมีลูกไปแล้วพระนางสาวตอนมีลูกเนี่ยบางคนบอกอายุแก่แล้วเก้าสิบได้แล้วคนอายุเก้าสิบเนี่นะอยู่ดีมีลูกดีใจมากดีใจข่าวดีที่แจ้งไม่ใช่แค่มีลูกนะยังมีหลานด้วยคืออิสหากดีใจไปใหญ่อีก มีลูกไม่พอมีหลานด้วยเท่านั้นยังไม่พอน้าปฏิศาสตร์อธิบายว่าพระนางซารมีอายุถึงเห็นหลานพี่น้องแก่แบบเนี้ยไม่เคยมีลูกกันาะ น, นึกภาพแล้วมีลูกดีใจมาดีใจมีชีวิตเห็นหน้าลูกไม่พอยังมีชีวิตอยู่ต่อจอนกระทั่งไว้เห็นหน้าหลานอีกดีใจเข้าไปใหญ่นี่คือบุชรชที่อัลลอเอามาแจ้งก็เลยดหิกัด ยิ้มพเพราะอะไรกันแล้วแต่นะครับเท่านั้นยังไม่พอลูกหลานที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นตอนแก่ๆเนี่ยยังได้เป็นนบีทั้งคู่ดีใจไหมละ่ะลูกก็ได้ดีหลานก็ได้ดีนะครับอันนี้เป็นขอพระนาสาระอา้าวเมื่อกี้อายะที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับในอายะที่เจ็ดสิบสอง อะไรเอ่ยพระนามซาร์ก่าว่ากอลัตซาร์เนี่ยเวลาเป็นภาษาอังกฤษคือซาร่าซาราที่เวลาโฆษณาไอทีวีไดเรกเนี่ยโอ้จอร์ดีมากซาร่าดีจังเลยเนี่ยคือในไบเบิลก็มีพระนามซาร์เหมือนกันแต่ก็อ่านเสียงว่าซาร่าฝรั่งหลายคนคือชื่อซาร่านะครับดาราไทยกับซาร่าหลายคนก็เอามาจากประวัติตัวนี้แหละซาร์นี่แหละในภาษารัง นะครับที่มาที่ไปมันแบบนี้พระนารา์ บ, บอกว่ากอลัษยาวัยลลตาแปลกแท้ๆเป็นคำอุทานอาอลีดูฉันจะมีบุตรวานาอายุจุนขณะที่ฉันแก่เลวเนี่ยแปลกแท้ๆเท่านั้นไม่พอว่าฮาดีบะลีชัยคัน และนี่สามีของฉันก็ก็แก่ด้วยนบี บ, บรหิมตอนนั้นบอกว่าอายุเ ก, กือบร้อยแล้วแก่คือฉันก็แก่ไม่มีลูกถ้ามีน่าจะมีตอนสาวไปแล้วฉันก็แก่จะมีลูกหรอย่าไวล่ตาปแปลกจังเลยนะฉันแก่ไม่พอนะสามีฉันก็วะฮาดาบะลีชัยคันสามีของฉันก็แก่ด้วย อินนาฮาดาและชัยอุนอายีบนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกแท้ๆเลยอายีบอายีบประวัาแปลกนี่คือคำคำอุทานของพ น, นันซาระนะครับพอออุทานแบบนี้ว่ายัางไงเอ่ยกลูบรรดาเมเลกาที่มาหาเนี่ยที่อยู่ในบ้านอยู่ในที่พูดคุยกันเนี่ยกลู กล่าวกันว่าอาตาจียบีน่ามินอัมรินลเธอเนี่ยพูดต่อหน้าเธอนะ่แปลกใจกันนั่นหรือต่อการงานของอัลลอฮ์ก็คือถ้าอัลลอฮ์จะให้มีลูกเนี่ยมันจะแก่ไม่แก่สามีจะแก่ไม่แก่มันไม่แปลกเพราะว่าอะไรล่ละเป็นพระอนุญาตของอัลลอฮ์ อันนี้ไม่ได้แปลว่าพระนางซาลไม่เชื่อในสิ่งที่อลัลลอฮ์มาบอกนะผ่านมาเลกาไม่ได้แปลว่านั้นแปลกใจนะครับในขนาดเดียวกันมาเลกาก็ไม่ได้ตาหนิไม่ได้ด่าพระนางซาลเฮ้ยไม่เชื่อแบบนี้เป็นการเรติมมุตัดอลัลลอฮ์สั่งทำไมไม่เชื่อไม่ใช่แบบนั้นเป็นสํานวนตอบโต้ด้วยกับมารยาทีดีงามเธอจะแปลกใจทําไมละ่ะในเมื่อมันเป็นการงานของอลัลลอฮ์ เมื่อพระเจ้าอนุญาตการมีลูกตอนแก่แล้วก็สามีกับแก่ด้วยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อัมรินละตรงนี้เนี่ยคําสั่งของลอตตรงนี้เนี่ยพี่น้องบางคนเขาแยกคําสั่งของลอตเนี่ยมีคําสั่งทางศาสนาด้วยเช่นสั่งให้ละมาถือสิ้นอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอัมรุตตักวีนอัลลอฮ บัญชาจักรวาลและกัสิ่งในจักรวาลเป็นไปนแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นเช่นอลัลลอฮฺบัญชาให้ทําไมละ่ะดวงอาทิตย์ให้ความร้อนมันก็เชื่อฟังอลัลลอฮฺทหน้าที่ของมันบัญชาให้เราธรรมชาติที่เราอยู่มันมีศาณนาแบบนี้พี่น้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมนุษย์ถึงสามารถใช้ประโยชน์ได้ วิชาฟิสิกส์แต่ก่อนเขาเรียกว่าอินบุนตอบีอีศึกษาธรรมชาติปรากฏการณ์ความเป็นไปแรงต่างๆพลังงานสาสารหลังจากศึกษาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีระบบไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มมามีระบบนี่เป็นเขาเรียกว่าอำนาจตะกูนอั ล, ลบัญชาให้มันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็ต่อ อ, อยู่ในระบบแบบนั้นด้วย ตรงนี้มันจะเชื่อมได้มนุษย์เวลาศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาสิาทธิอยู่ในโลกเนี่ยทําไมละ่ะศึกษาว่าระบบที่อัลลอฮ์ให้มันสั่งมันไว้เนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้แค่ว่า อ, อัมรุตบักวีนไม่ได้สั่งเรื่องศาสนาแต่ว่าสั่งให้จักรวาลแล้วก็สิที่อยจักรวาลเน่ยเป็นไปแล้วมันก็เป็นไปตามคําสั่งของอัลลอฮ์เป็นระบบเป็นระเบียบและในบางกรณีที่พิเศษ มันก็เชื่อฟังอัลลอ์เช่นทะเลแดงแยกแบบนี้นะครับไม่ค่อยปกติก็ตามคามสั่งของอัลลอ์หรือว่าไฟที่เผาในวิบรอฮีมเนี่ยอัลลอ์สั่งให้มันเย็นยานารูกูนีบารา ด, ดววาวัสลามมนอลาอิบรอฮีมโอ้ไฟเอ๋ยจงเย็นและก็ให้ความสันติตอนบดิบรอฮีมไฟก็ตออัดปกติร้อนอยู่อัลลอ์สร้างให้เป็นแบบนั้นแต่กรณีเฉพาะอัลลอ์สั่งให้เย็น พอตอนนี้เดบิวรอยหินถูกโยนลงไปในกองไฟไฟมันก็ตอเชื่อฟังแล้วก็เย็นตามคำสั่งของล้ออย่างนี้แค่เร่ออารมณตักวินการงานของล้อคำบัญชาของล้อในเรื่องที่เกี่ยว ก, กับกจักรวาลทั่วไปฉะนั้นทางโลกทางศาสนาใ น, ในพี่น้องถ้าดูให้ดีมันไม่ได้ขัดกันเลยทางศาสนาก็ศึกษาอามลอเหมือนกันคาสั่งของลอในด้านศาสนา ทางสามันก็ศึกษาอัมรุณลอ่อเหมือนกันคำสั่งคำมัญชาของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เป็นอัมรุตตะกวีนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักราวาลและก็สิ่งมีชีวิตสุดท้ายเราศึกษาการสร้างของอัลลอฮ์มนุษยศาสตรสังคมศาสตวิทยาศาสตร์แพทยศาสต ร, ร์เภสัชศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ทําให้มนุษย์ห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้าถ้ามีศรัทธานะยิ่งศึกษายิ่งศรัทธาอันนั้นคืออัมรุตตะกเวิน นอกจากนี้ในอายะห์ที่เจสอัลลอฮ์อธิบายต่อว่าราะมัตุลลอฮีวะบรกาตุอะไลกุมอพลันเบอินนูฮมีดุนมาดนะครับอัลลอ์บอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อะไลกุมอัพลันเบิดให้กับพวกท่านนบีบรอฮีม แล้วก็ใครละ่ะผนานาซาร์อฮันลันบส์แล้วก็ครอบครัวของพวกท่านเนี่ยนะอัลลอฮฺให้ความเมตตาราะห์มะแล้วก็ให้บราระกาตให้ความจำเริญนบีบรอกีมได้ตัวนี้ได้มากพี่น้องได้ยังไงบ้างนาบีบรอกีมพี่น้องครับเป็นคัลลุลล้อถ้าแปลภาษาไทยคือเพื่อนอัลลอฮฺ คนสนิทขอระองด้วยกับนิสัยบุคลิกภาพแบบนี้ทําตามคําสั่งขอร้องเนี่ยเป็นคนสนิทขอร้องเป็นความเมตตานบิบรอนอมได้รับคําสั่งให้เชื่อลูกคือนบิสมาอีนอย่างจะมีน้องทราบดีอลอลลอฮฺให้เอาสัตว์เอาแกะรูอเอาแพะมาไถ่ตัวเป็นความเมตตาให้นบิบรอนอิมทํางานด้วนะกะบ้า แล้วตอนนั้นไม่มีใครเลยนะนบีอัลฮิมขอดูอาตอลองเรียกร้องคนเนี่ยมาทำฮัจจ์คำตอบรับตรงนี้พี่น้องอลัลลอ์ตอบรับจากที่ที่ไม่มีใครเลยเอาภรรยาถี่ท้องแก่ไปไว้เนี่ยพี่น้องใครมันจะมาไม่มีอะไรเลยมีแต่เขาน้ำก็ไม่มีอลัลลอฮ์ให้มีเธอยอย่างให้มีน้ำจำจำในความเมตตา<ม>พอมีน้ำเลี้เนี่ยเพอเอืนว่า อาหรับทางใต้มีปัญหาอุตุภัยทางเยเมนเนี่ยอพยพขึ้นมาข่ยพวกโยฮัมเกิดอพยพขึ้นมาแล้วมาเจอนบีอิสมาอีนกับมารดานแล้วก็มีน้ำมาขออาศัยนบีสภาก็ให้อาศัยให้อาศัยเสร็จก็อยู่กันเป็นชุมชน ในขณะเดียวกันนบีสุลต่านเอก็เรียนภาษาอาหารับจากคนอาหารับทแท้อาหรับอาริบ้าที่มาจากเยเมนเนี่ยในบิสุลต่าก็ได้ภาษาอาหารับเป็นอาหรับมุสตะอริบ้ากลายเป็นอาหารับทีหลังลูกหลานก็ได้ภาษาอาหารับแล้วก็กลายเป็นกา บ, บะาสืบท อ, อดกันมาพี่นอ้องในสมัยนบีมูฮัมมัดมีความประเสริฐสมัยที่มีการตั้งภาคีนเนี่ยชาวกรีเชได้รับสิทธิพิเศษเพราะว่ามีกาบาเป็นผู้ที่ดูแลกาบาดูแลผู้ที่มาสแสวงบุญ จะต ว, ว่าแบบผิดมาทำเจเวิตอะไรก็แล้วแต่พวกกรอชดูแลพ่อมีกาบ้าถึงได้รับเกียรติลีอีลาฟิกรอชเนี่ยสิทธิพิเศษในการเดินทางกองคารวานไม่มีใครมาแตกต้องไม่มีใครมาป้นจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวก็แล้วแต่ได้ปราะกาบ้านี่ความเมตตาดิ่นบีรอยฮิมทําไว้และสุดท้ายอัลลอฮ์ตอบรับดุอาตรงนี้ให้คนมุ่งหน้าไปที่กาบ้าเป็นหนึ่งในกุลอีมานพี่น้อง มีความสามารถมีโอกาสต้องไปทำฮัจ์แล้วเราไปกันไหมไปพี่น้องปีนี้เท่าไหร่ละแสนเท่าไหร่ละไปกันไหมไปกันขายที่ได้ทำอะไรคิดก่อนทำฮัจ์ก่อนพอไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้ยมันจะมีใครเราไปคนดำกับมีคนขาวฝรั่งมีหมดเลยเอาล่ต่อบปรับดูอาของดบีอิสราฮีมเรียกร้องคนมาทำฮัตช์หาันบบ้านหลังนี้ในกาบ้าเนี่ยนเอาลตอไรั แล้วก็จนถึงวัเกียม์มาคนก็จะมุ่งหน้าไปที่กาบาตามดูอาของท่านนบีบรหีมนี่คือความเมตตาไหมความเมตตาพี่น้องการดูในตั ว, ว่านของมักรคนตะวันยังไม่หมดอาตะวันทวันเลยไม่ใช่กระัดอย่างเดียวนะอุมรแล้วก็อย่างอื่นอีกละหมาดห้าเวลาในคนไม่หม ด, วดวนี่ความเมตตาอา้าวต่อมาบรหิมบรากาิมเนี่ยแปลว่าความจเจริญ น, นบีบรหีมได้ความจเจริญอะไรบ้างพี่น้อง มาไหวจะนับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะเท่าที่จาได้เท่าที่นึกได้ยังมีอีกบางคนก็เสริมได้ก็เสริมไปเวลาอัตออตฮิยาน่พี่น้องอัตตฮิยตุนมุบากะอัสสลามอวยนัลลอิบาร์ดไลซนอัชแนลอลลฮ์นะแล้วก็ทาไมละัลลออลออบราฮมในอัตตฮิยาเนี่ยในสิ ซีรออิบราฮิมียาเนี่ยตัทยาเนี่ยมันมีหลายแต่ซีร์ออ์นะหลายสำนวนสำนวนที่เข้มแข็งที่สุดคือเขาเรียกซีรออิบราฮิมียา<อ>ก็คือที่มาอะไรละ่ะสันเสริฐตอนอบดุลบบรฮีมที่ละหมาดเนี่ยไม่ใช่ซาลวาดนะบิ บ, บุหมัดอันเดียวนะซาลวาดนะบิ บ, บรฮีมด้วยอเออเห็นมหมนะครับช่วงหลังของตัทยานนี่ิหละแล้วก็อใจความจำเนินอะไรล่ะลูกหลานเต็มไปหมดเลยเป็นน บ, บีเพราะว่าน บ, บีทั้งหมดเนี่ยกี่คนก็ไม่ทราบ ตอนเรฟันดูอินเนี่ยผมก็เรียนมาก็ก็บอกวันหนึ่งแสอะไรละ่ะแสนสองันเอออันนี้ตามที่เรียนฟันดูอินว่าเราอ่านลำในการประมาณการพี่นองผิดถูกก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเราซูดมีกี่คนสองพั 25, <000. S 1> ไม่ใช่3 1 5ร้อประมาณนี่คือการประมาณการนะไม่ต้องเป๊ะอะไรมากจริงไม่จริงก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเขาประมาณการว่าครึ่งหนึ่งของบรรดาอับิยาทั้งหมดเป็นชาวบนันดินโซอินครึ่งหนึ่งประมาณการเหมือนกันแล้วบนันดินโซอิทุกหลานใครละ่ะ ลู่ร้านนบิบิโรอฮิมสุดท้ายความจำเริญที่นบิบิโรยฮิมได้เนี่ยได้เยอะมากเยอะมากทั้งความเมตตาทั้งความจำเริญเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะครับเอาทีนึกออกไว้ถ้าใจพูดอย่างเดียวประเด็นนี้เนี่ยพูดได้หลายชั่วโมงนะคราวนี้พอกลับไปไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่กูอ่านบอกว่าบุชรอเอาข่าวดีมาแจ้งเนี่ยพี่น้องข่าวดีจริงๆ ข่าวดีทั้งกับภรรยาที่จะมีลูกและก็ข่าวดีกับ น, นบีบรหีมด้วยเอาความเมตตาพระมตุลล้อยบรากาตูหูแล้วก็ความบรากาความเมตตาความจเจริญมาให้นบีบรหีมอัลลอฮฺเบイและก็ครอบครัขวของนบีบรหีมบางคนก็แปลความหมายคุมไปถึงภรรยาค น, น, นอื่นๆด้วยพนานฮะยัดก็ เป็นอัลลินเบตของนบีบรฮูฮีเป็นหนึ่งในครอบครั ว, วนบีบรูฮีเหมือนกันนบีอิสมาอินก็เกี่ยวด้วยได้เยอะมากพี่นอ้องนะแล้วก็ติดนบีบรฮูฮนะีติดท็อปฟราผมพูดหลายครั้งนะครับก็คือ อ, อูรุลอัลซมีนบีอัมบียาชั้นแนวหน้าหคนนบีนัอิบรูฮีมอีซามูซามุฮัมมัดเนี่ยนบีบรูฮีมติดด้วยในห้าคนก็มีการแบ่งลำดับฟอร์อเอ็นความประเสริฐอีกกันแล้วแต่นะครับ อินนาหูฮามิดุนมัจีดนะอัลลอฮ์เป็นผู้รังจาอัลลอฮ์ประทานทุกอย่างให้แล้วเนี่ยฮามีดพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการสังเสริญมัจีดและก็ผู้ทรงประเสริฐยิง่งถ้าได้ขนาดนี้แล้วพี่น้องนี่นาบิบรอฮีมนะเราก็ได้เยอะเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราละหมาดเนี่ยสมเหตุสมผลเหลือเกิน ที่เราจะพูดว่าอัลฮัมดุดลิลละมวลการสรรเสริญมรสิ์ของลอสเนี่ยอัลฮัมดุดลิลละอบบินอาลามีเนี่ยเพราะว่าถ้ามาพิจารณาดูแล้วสิ่งที่ได้เนี่พี่น้องเต็มไปหมดเลยมุสลิมที่ได้เนี่ยเยอะไปหมดพี่น้องไม่ต้องนับตะวันออกกลางที่ได้น้ำมงนน้ำมันนะประเทศไทยเราเนี่ยมุสลิมก็ได้อะไรเยอะนี่จะพูดถึงคําว่าฮามีดบางคนถามว่าเกี่ยวนะพีิบราฮิมฮามีดเนี่ยพี่น้องสรรเสริญต่อรอดเป็นสิ่งที่สมควรทํา อัลฮัมดุลิลลห์นพี่น้องพูดให้ติดปากฮัมดุลิลลาห์ถ้าถ้าของไม่ดีเกิดขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์จะไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลาห์กุลฮาลินขอสอนเสริญต่อเราในทุกๆุกสภาพเดินไปสะดุดล้มไม่ดีก่อนจะดาก้อนหินเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลากุลีฮาินอละลลอ์ให้แค่สะดุดไม่ให้หัวแตกมันมีหนักกว่านั้นอะไรที่เกิดขึ้นในหลังเราก็ไม่ทราบ แต่ว่าขอบคุณต่อรอดต่อทุกสภาพนะครับนี่คือทําไมเอย่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตบีบราหีมจบยังยังไม่จบนะมาอายะตีเจ็บสี่ต่ตออันนี้พี่น้องเห็นภาพนะมีเมริกากี่คนวันรออาลัมแต่มาเป็นกลุ่มก็อ่านใช้ภาหุพทธโรซูรูนามาในเวลามาแบบมีปีกบินนะมาเป็นคนนี่แหละตบีบรหีมทาไง ทักทายเดียกับดีอันนั้นก็ซาลาอันนี้ก็ซาลาแล้วก็เชิญเขามาบ้านเตรียมอาหารให้เป็นลูกวัวยา่างเตรียมให้แล้วไม่กล้าไม่กินเลยไม่กินก็กลัวมันยังไงถ้มามันมันฉุประสงค์ยังไงเพราะว่ายังไงละ่ะคนที่ประสงค์ไม่ดีเนี่ยลักษณะมันจะออกคือทํามาเพื่อป้นอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงอาหารผมก็ไม่กินนะผมก็คิดเรื่องปนถ้าผมเป็นโจร น, นะ จะพ่นยังไงมันอยู่อีคนวาหน้าต่างเป็นยังไงเอาคิดอย่างนั้นเล่าให้ฟังไอนอกประเด็นนิดนึงนะครับเราไปฟังเวลาที่โจรพ่นแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็กกมีข้อสังเกตเข้าไปสัมภาษณ์แท็กซี่มาโจรเวลาพ้นแท็กซี่ในพี่น้องทําไงผมซูผมเป็นโจรนนะสมมุตินะโบกรถจากตรงเนี้ไปไหนไปมาบังคลองที่ดีคนเยอะๆพอไปแล้วก็เปลี่ยนอ๋อพี่มาบังคลองไปไปละ ไปนู่นดีกว่าเถอะไปเถอะไปทีลนิดพอดีเพื่อนโทจจนท่านถึงที่เปี่ยวแท็กซี่เนี่ยเวลาสังเกตเนี่ยคนไหนจะป้นไมปป่ปนข้อสังเกตนะก็คือมันจะเงียบจะไม่ชวนคุยจะไม่ดูไม่นูเพราะในหัวคิดเรื่องเรื่องจะปนไม่ปกติมือถือก็ไม่ค่อยอะไรคือจะคิดเออมันเปี่ยวเอาเปี่ยวไม่พอเอาพี่มาบุกคองผมเพื่อนผมนัดเดีย๋ยวไปเลยไปหน่อยแล้วกันหาที่เปี่ยวเทีลนิตเทีลนิตตอนนีน่บางคนจับได้นเนี่ยอ๋อผมไม่ว่างเชิญลงเลยครับ ค่าโดยสารไม่เอาอะก็คือคนที่มีเจตนาไม่ดีในที่จะเล่าเนี่ยแล้วสนามัจะแปลกไปจากปกติผู้โดยสารขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวางเงียบเขาก็สงสัยจะปนไหมเล่าให้ฟังเหมือนกับที่นุชไรอยทีมเลี้ยงจริงๆมาเปรียบเทียบไม่ได้หรอกอันนี้เล่าให้ฟังสนุกเลี้ยงแขกเนี่ยเลี้ยงอาหารไปแล้วแขกมันไม่ปกติไม่กินไม่อะไรของกันอยู่ข้างหน้าไม่กินไม่กางไม่กินอยู่แล้วไงสุดท้ายก็เกิดความกลัวเกิดขึ้น พอเกิดความกลัวเกิดขึ้นลักษณะตัวนี้มันก็ออกมาจะเป็นสีหน้าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่หรือว่าเราให้แมกกาซ่าบว่าเราอลัมแมกกาซ่าบแล้วก็บอกนายบิวรอยคิมว่าไม่ต้องกลัวนี่เราเหตุการณ์ให้เห็นภาพนะไม่ต้องกลัววันนี้มาเนี่ยจะมาแจ้งข่าวดีนี่มาแจ้งข่าวดีอ้าวข่าวดีคืออะไรมีลงมีลูกคุณนาำสะระเป็นคนที่ได้ยินเหตุการณ์ก็หัวเราะ อันนี้เห็นภาพนะตอนนี้ปมในใจเคลียร์กันหมดรู้แล้วเป็นมัลเลกามาแล้วนะม า, นะมานาะมาดีแน่แล้วก็มัลเกากระบอกด้วยว่าจะได้ความเมตตาได้ความเฉลิญตอนนี้บรรยากาศโอเคแหละบรรยากาศดีมากในบ้านอันบดรอฮิมนะครับอา้าวในยันที่เจ็ดบสี่ก็จะเล่าต่อไปฟัลัมมาザฮบาอันอิบรอฮิมะและเมื่อกว่าจะคําว่าอันเราอู แปลว่าความกลัวและเมื่อความกลัวได้หายไปจากนบีรอฮิมไอความกงังวลความวิตกมันจะป้นไหมปุน่นมันจะมาทําไมมาดีมาร้ายเนี่ยฮาบ่าอัิบราฮิมาเราอะความวิตกกังวลหายไปแล้วพราะซาบแล้วที่ไม่กินเนี่ยอ๋อเป็นมาไลกาเขาไม่กินนะและว้วก็ราบแล้วที่มามาไลกากนี่ยพวกมันจะมาปล้นอะไรอล่อสั่งมาแถมเอาข่าวดีม า, ม า, าด้วย นะครับคราวนี้พอบอกม า, มาเนี่ยนอกจะมาบอกข่าวดีแล้วเนี่ยทําไมเอย่ยวายาอัตภูบุชรอเอาข่าวดีมาแล้วนะครับทําไมเอ่ยยูยาดิลูนาฟีเกามิลูดความกลัวหายไปแล้วเหตุการณ์เป็นลําดับนะกูอ่านใช้คํากระชับมากเหตุความกลัวหายไปแล้วข่าวดีก็ได้รับไปแล้วหลังจากนั้นก็ ยุยาดิรูนาฟีเกามมลูดก็คุยกันถกกันเรื่องของกลุ่มชนนาบีลูดรู้ว่าเป็นมรดกแล้วนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องกลุ่มชนของนาบีลูดที่ผมเราเนี่ยเล่าเต็มไปหมดเลยแต่ก็อ่านมันยายภา พ, พี่น้องใช้ประมาณสี่ห้าอายะเป็นซินารีเลยนะคซินาริโอ นะครับก็คือเป็นฉากมาแล้วทํำยังไงอธิบายละเอียดถึงกระทั่งว่าความรู้สึกอะ่ะทำไมถึงกลัวเอากลัวเพราะมันไม่กินอาหารแล้วก็กลัวละคือละเอียดจนพี่น้องเห็นภาพมากครูอ่านใช้ภาษาดีมากในการบรรยายเรื่องราวเนี่ยแล้วก็เราเห็นภาพทั้งหมดแล้วแล้วก็มีลำดับเหตุการณ์ด้วยความกลัวหายไปอา้าวได้ข่าวดีเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยธุระกันแล้วเนี่ยเรื่องกุมชนนบีลูดเห็นภาพนะ เอ้าวคาถามเกิดขึ้นแล้วกลุ่มชนนบีลูดแล้วมาคุยทําไมกับนบีบรอหีมเออไม่กล้ามาคุยทําไมนบีบรหีมนบีลูดนบี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีบรอหีมไม่ใช่พี่น้องนะลูกพี่ลูกน้องบางคนเป็นลูกของอะไรเป็นลูกของลุงอะไรกันแล้วแต่ เป็นญาตินบีบรอยฮีมและก็อพยพออกมาพร้อมกัน อ, อน๋นี่ถ้าเราตอนล่ า, าประวัติเอาเล่าให้ฟังกันนบีบรอยฮีมบ้านเกิดเนี่ยพี่น้องไม่ได้อยู่ที่มักกะไม่ได้อยู่ที่ชามไมไ่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ทางตอนใ ต, ต้ของอิรักปัจจุบันนี้ชื่อว่าอูดพี่น้องไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสั้นๆเลยยอาเป็นชื่อเมืองอูดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิรักอูด ยูอารูดไปดูใน Google แล้วกันมันจะมีแคาคัดพีระมิดก็คือในกลุ่มชนตรงนั้นเนี่ยบูชาดวงดาวด้วยแล้วก็บูชารูปปัน้นนบีบรหีมก็เอาขวานไปจามรูปปัน้นอา้าวคนในเมืองกโกดโยดลงในกองไฟอา้าวไฟเย็นอะไรทํานองเนี่ยสุดท้ายเนี่ย อ, อยู่ไม่ได้ต้องก็พยกออกมาชาวเมืองกโกดดันนบีบรหี ม, มากตอนถูกพยกออกมาเนี่ยนบีลูดก็มาพร้อมกับนบีบรหี พอมาแล้วก็แยกกันไปในพิโรธินไปอียิปนะไปอียิปแล้วก็อะไรจะกลับมาที่ชามเดินทางเยอะเอาแต่พายาพนาไฮยัตเสร็จเอามาวัดอีเมกาเอามเดินทางไปหาพนาซาร์อะไรทํานองเนี้ยนะครับไมกาขึ้นมาเนี่ยเดินทางไปเดินทางมาเยอะทางศานบีรุษเนี่ยแยกกันแยกกันนะบีรุษไปที่เ ม, มืองสะดูมเดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงลบีรุษอันนี้ปูพื้นได้ก่อน นะครับสัปดาห์หน้านจะเป็นจันยัสเมืองสะดูมเนี่ยอะไรละ่ะสังคมเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับอาร์ตกับพูดนะอม่ไม่ใช่อาร์ตกับสมุดผมเกือบเริ่มสับสนแล้วถ้าอาร์ตเนี่ยมันเป็นกลุ่มชนใหญ่ชุมเป็นอรารยธรรมใหญ่พวกอาร์ตแล้วลอ ก, ก็ทําลายไปสมุรลักษณะคล้ายๆกันคนจํานวนหน้ามารวมตัวกันเป็นเมืองใหญ่แต่สมุแต่พวกสะดูมเนี่ย ก็อาจใช้คำว่าก้ระยะเป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นเมืองใหญ่แบบแบบพวก อ, อ, อาร์ตโพสมูทนะเป็นก้ระยะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านแต่เราดะใหญ่ที่สุดคือสดูมแต่มันจะมีอูมูรอ ม, มีนุ่มมินี่มงคนบอกว่าอีกเจ็ดมงคนบอกห้าหมู่บ้านรวมตัวกันมันจึงไม่มีชื่ออะไรละ่ะชื่อชื่อกุมชนนะ่ะหลักๆไม่มี คือพวกอาร์ตเนี่ยอย่างที่เราพูดอาร์ตเนี่ยนสับมันเชื้อสายเนี่ยสืบไปถึงต้นตระกูลคืออาร์ตนี่คือลูกหลานของคนชื่ออาร์ตอาร์ตก็เป็นลูกเป็นหลานลลของซามลูกอัลบีน้อีกทีหนึ่งก็เรียกว่าพวกอาร์ตพวกสมูทก็คล้ายๆกันไอปูเขาเรียกว่าอะไรนะบัมบัลลูต้นตระกูลเนี่ยเป็นสมูทมีลูกมีห ล, ลานเต็มเมืองเราก็เลยว่าชาวสมูทแบบนี้แต่ว่า กุมชนนบีลูดเนี่ยไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นเป็นคนหลากหลายไม่ได้มาจากต้นตระกูลเดียวกันแล้วก็เป็นชุมชนย่อยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็เลยก็อ่านเรียกรวมกันว่ากล่ามูลลูดกลุมชนของนบีรูดเพราะไม่ได้มีบรรพบุรุษเดียวกันนะที่ต่างๆคือสะดูมเนี่ยที่เราเอาล่อทำลายเมืองสะดูมจริงไม่ใช่แค่สะดูมนะโดนทั้งหมดนะครับอีเมืองนึงอาจจะคุ้นคืออุมูล้ เป็นเมืองอันดับสองแล้วก็อีกห้าถึงสี่เมืองเมืองคนบอกว่าเจ็ดงคนบอกว่าห้านะครับถ้าไหนาไปเบอรที่ว่าโซดอมกับโกมราอันนี้คือเมืองนบีรูดอ่ะมีปูพื้นฐาในให้ฟังนบีรูดแยกกับนบีบรอกีเป็นสองสายแยกมาที่สะดูมแล้วมาแต่งงานกับผู้หญิงชาวสะดูมภรรยาขอ น, นาบีรูดซึ่งสุดท้ายแล้วพอมีปัญหาจะโดนทํำลายเนี่ยจะโดนอาสาบลงพลิกแผ่นดินเนี่ย นบีลูธกับผู้ศรัธทธาครอบครัวเดินออกเดินอลาอให้เดินทางออกแต่ว่าภรรยานบีลูธซึ่งเป็นชาวสะดุมเนี่ยไม่ออกบานคนบอออกมาแล้วหันไปมองอะไรกันแล้วแต่คือเป็นภรรยาที่ไม่เชื่อฟังสามีเวลาข้ายกตัวอย่างเนี่ยผู้หญิงที่ออสามีดีภรรยามาดีมีใครบ้างอ้อภรรยานบีรูธอีกคนคือภรรยานบีนัวจําได้ไหมเดินดินแล้วผมเล่าให้ฟัง แม่ที่เป็นแม่ของกันอาญเนี่ยนบีนัวมีลูกมีพญาสองคนนะครับอาจจะมากกว่าสองแต่มีมากาประมาณสองคนในแน่เลยอาจจะมีมากกว่าสองบางคนบอกคนหนึ่งก็เป็นแม่นี่ก็ลูกดีแม่ที่ลูกไม่ดีล ก, กันอานเนี่ยก็คือพญาของนบีนัวซึ่งทําไมเอ่ยซึ่งมาเด็ดขึ้นเรือพร้อมนบีนัวเวลาพูดถึงสามีดีภรรยาไม่ดีนึกถึงนึกถึงนบีพญานาบีนัวกับพญานาบีลูน ครั้นี้พูดถึงถ้าถ้าเป็นการวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์ว่าทำไมพญานาบีรุตไม่ดีบางคนก็บอกว่ามันเป็นประเด็นด้วยซึ่งพญานบีรุตเนี่ยเป็นชาวเมืองชาวพื้นเมืองซึ่งสุดท้ายก็เลือกเมืองตัวเองเนื่องจากมีสายสัมพันธ์มีญาติมีอะไรก็แล้วแต่ในกูอ่านบอกว่าก็ไม่ใช่เป็นผู้ ด, ดีศรัทธาครั้ น, น, นี้พี่น้องจําประวัตินบีรุตได้ไหมที่ว่ามริกา ไปหาดบีรูดแล้วปรากฏว่าไอ้ชาวเมืองสะดูมจะมาปัาา้ไมก้าเป็นผู้ชายเนี่ยรอเออนบีรูดกับตอนเข้าบ้านไอ้ขั้นนอกกับทุกประตูจะปั้มให้ได้นบีลูบอกอยาเลยเป็นเขกก็คือไมา้ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้จะเดินทางห า, น, หานบีรูดเพื่อจะไปบอกว่าเดินทางออกได้แล้วเลาจะลงนําลายแล้วพอเข้าเมืองสะดูมเนี่ยหล่อมาเลยกา้าแปลงล่างมารอจะโดนปัม้มเอาผู้ชายผู้ชายจะปั้มผู้ชายเอา นบีลุยกับนี่เป็นแขกของฉันอย่ามาทําอันนี้ก็จะเอาให้ได้เอ า, เอาสุดท้ายไมยกล้าก็ตบบางคนบอกว่าอภิ ป, ปีตตบหน้าตาบอดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางหานาบีลุตแต่ตอนนี้เวหานาบีไปคอยฮีมก่อนมาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาบอกว่ากลุ่มชนนบีลุตจะโดนลงโทษแล้วอันนี้เหตุการณ์มันต่อเนื่องกันไปนะครับ<ม>ก็อ่านใช้คําว่ายูยาดิลูนาฟีเกามีลูต นะทำไมเอ่ยก็มีการยูยาดินมุยาดละแปลว่าการถกเถียงกันไม่ได้ทะเลาะ ก, กันนะเหตุการณ์ในบ้านนาบีรอยฮีมสงบแล้วก็ถกเถียงกันไม่กล้าจะบอกว่าอัลลอฮ์จะทําลายแล้วนบีบรอยฮิมในใจเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดการลงโทษเกิดขึ้นเพราะทําไมละ่ะนบีลูดก็อยู่ตรงนั้นด้วยผู้ศรัทธาก็มีด้วยกลัวว่าจะมีการลงโทษแล้ว คนดีๆจะโดนไปด้วยนะครับน บ, บีบรอฮิมก็คล้ายๆบอกขอการอภัยโทษอย่าทําเลยก็ถกกันไปถกกันมานะนี่คือหัวข้อที่เขาคุยกันนะครับต่อคําถามมานาว่าทําไมทําไม น, บ, ไมน บ, บีลูดเรื่องของน บ, บีลูดต้องมาคุยน บ, บีบราฮีมเพราะว่าเป็นญาติกันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเอาเมื่อกี้พูดถึงเมืองสะดุม ถ้าเปรียบเทียบนะอาร์ตสมุติกับกลุ่มชนลูธเนี่ยเวลาเรียกกลุ่มชนลูธเนี่ยไม่มีชื่อเรียกมูจะเรียกยังไงถ้าอาร์ตเรียกได้เพราะบาัมบูดคืออาร์ตสมุตมีชื่อเรียกแต่ชื่อกลุ่มชนนาบีลูธเนี่ยไม่มีชื่อเรียกจะบอกชาวสะดูมก็ถูกบางส่วนเพราะว่าไม่ใช่สะดุมอย่างเดียวมีอีกห้าหเมืองที่เหลือก็เลยเรียกว่ากลุ่มชนของนบีลูธ เนี่ยคันนี้พอเป็นกลุ่มชนนบีลูดแล้วเนี่ยคนก็จะทําไมละ่ะอะไรละ่ะคิดประเด็นแรกที่มีน้องนึกถึงคืออะไรคือการลีวาดลีวาดก็คือผู้ชายกับผู้ชาอัตโฟดัมเลยแหละพูดง่ายๆนะคันนี้พอลีวาดแล้วเนี่ยลากศัพท์ที่ใช้ก็เขียนมั น, นบีลุดอีกตัวรามตัววาวตัวตอแล้วคนที่ลีวาดเขาเรียกว่าพวกลูตี้เหน่อพวก พวกที่บูชายกับบูชายเดียกันเนี่ยไปไปมามาเนี่ยชื่อนบีลูดมันก็กลายเป็นความหมายแบบนี้ไปคือปกตินบีเนี่ยเราเอามาตั้งชื่อลูกหมดแหละอิบรอฮิอิสมาอี ม, มุฮัมมัดแต่พอจะตั้งชื่อลูกว่าลูดเนี่ยมันความคือลูดจะเป็นชื่อนบีความหมายดีแต่ว่าด้วยกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นบางคนก็ไม่ตั้งหายากนะพี่น้องนึกซึดมีญาติไหมล่ะ ต, ตั้งชื่อว่าลูดเนี่ยเออซอแล้วมีนบีไหนก็นมีนบีรูดหายากจริงๆจะตั้งชื่อว่าลูดผิดไหมไม่ผิดเพราะเป็นชื่อนบีแต่พอบอกลูดกลุ่มชนนบีรูดในหัวคิดไปโน่นเลยผู้ชายกับผู้ชายกระทั่งภาษาอังกฤษเอ็นลูตี้พวกลูดเนี่ยจริงจพวกลูดพูดนบีน่าจะเป็นพวกดีๆกลายเป็นพวกที่ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอ่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความหมายของคำนะมันก็มีมันมีทัศนะในในในคำ พระ zakat ในคาลูดเป็นชื่อดีดีไหมเป็นชื่อทีดีพาะเป็นชื่อนบีแต่ว่าไม่มีใครตั้งนะไม่ค่อยนิยมบางคนก็มีแต่น้อยมากนะครับอาจารย์นแล้วที่เืองของปีี่ตออปอมีนะจริงจริงไม่ใช่กลุ่มชนนบีูดนะที่เป็นอะไรคนในเมืองไม่ใช่อยากล่าใหฟังแล้วก็อะไรล่ะไอ้บุเขาไฟมาทับเนี่ยก็คือกลุ่มชนนบีรูดอาสมูดเนี่ย มันไม่มีร่องรอยให้เห็นครณะที่ที่พอจะเทียบได้กับเป็นปวามไปอีเขก็เทียบไปเห็นแต่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ความปอมไปอีคือเชื่อสารนาบีลูตอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นปอมไปอีแล้วเราก็เปรียบเทียบไปว่าตอนที่เอาเราลงโทษเนี่ยอาจจะหนักกว่านี่น่าจะเป็นแบบนี้เป็นแง่คิดแต่ว่าในข้อท็่จริงเนี่ยไม่ใช่กลุ่มชนเดียวกันนะก็คุยกันเรื่องนบีลูตอยู่แหละนบีอกรีมก็คุยด้วยเอออย่าไปลงโทษเลยไม่กล้าก็บอก ต้องลงโทษแบบรุ่นแบบนี้นะครับและอายาสุดท้ายในวันนี้อายาที่75ห้าเนี่ยอินนัยบรอฮีมาหลังจากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยก็อ่านสรุปประเด็นให้ฟังว่าอิบรอฮีมเป็นคนยังไงจริงๆแล้วแน่แท้แล้วอิบรอฮีมนั้นทําไมเอย่ยฮาลีมละฮาลีมุนเป็นคนที่ในที่นี้ใช้คำ ว, ว่าอดทนขันติฮาลีมเนี่ยผมเคยพูดที่ไหนจำไม่ได้แล้ว ไม่ได้แปลว่าอดทนแบบซอบัตนะซอบัตนี่อดทนคนที่ซอบิสซอเบียอดทนเนี่ยนะครับกับคนฮาลีมเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอดทนเหมือนกันแต่ในความหมายจริงต่างกันซอบัตคืออดทนต่อสิ่งที่มาประสบผมบ้านไฟไหม้ผมซอบัตอดทนแต่ฮาลีมเนี่ยอดทนต่อความโกรธโกรธเนี่ยโกรธเนี่ยแต่อดทนต่อความโกรธไม่ให้มันแน่ น, น โกรได้ทําอะไรก็ได้ดาบบรีบอวยหีมฮาลีมอดทนต่อความโกรธนะอาวาหุนอ่อนโยนจะทราบได้ไงว่าคนอ่อนโยนพี่น้องไปดูมารยาทนบีบรูฮีมในการรับแขกไม่ต้องดูที่อื่นนะดูเฉพาะเนี่ยสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแขกที่แป๋งหน้ามานบีบรูฮีมต้อนรับขนาดนั้นเนี่ยอาวาหุนเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วได้ข่าวจะลงโทษน บ, บีรูธ จะเอาทั้งเมืองเล่นทั้งเมืองเลยนบีอัลกอฮิมก็มายุยาดิลูนามาถกเถีงงยงมาโต้แย้งไม่ได้ทะเลาะ ก, กันนะระงับเดไม่มีทางออกอื่นไม่ต่อเการทําลายผ้วคนอื่นด้วยฮุนนบีรูดนี่คือนิสัยของนบีอัลกอฮิมซึ่งในบรรดา น, นาบีในพี่น้นองคนที่จะได้รับสถานะาบัล น, นบีอัลกอฮิมหายากมากไม่มีเลยก็ว่าได้อย่างนาบี นบีมูซาเนี่ยพวกเยโฮลดให้เกียรตินบีมูซาเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวมนิสรซ อ, อินแต่คนที่เป็นมัซเซยฮีหรือวานอซาร์ไม่ได้มองให้เกียรตินบีมูซาอา้าวนบีอีซาคนที่เป็นมัเซยฮีเนี่ยเป็นคริสเตียนเนี่ยให้เกียรตินบีอีซายกโท่านเป็นพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันพอมองมาที่โมเสสแล้วก็ไม่ได้ให้เกียรติเหมือนกับที่ให้เกียรติอะไรละ่ะนบีอีซา อานาบีมูฮัมหมัดมุสลิม ย, ยกย่องให้เกียรติแต่มาเซียยออจะพูดกับนสรอไม่ได้ให้เกียรตินบีมูฮัมหมัดไม่ยอมรับโด้วยซ้ำไปแต่ทั้งสามความเชื่อเนี่ยจะเป็นคริสเตียนจะเป็นยิวจะเป็นมุสลิมก็ดีให้เกียรตินบีเบรอฮีมหมดอ่าเป็นสถานะซึ่งนบีอื่นหาได้ยากนะถ้าจะเป็นมาเซียก็ยกย่องนบีเบรอฮีเป็นบุคคลที่ใครก็ยกย่องจะเป็นยิวยิ่งยกย่องใหญ่เลย มุสลิมเนี่ยยกย่องยกย่องเพราะในสละวัเนี่ย ย, ย, ย, ย, นนยมีอัลาอิบรอฮีมเลยสวัสดีอิบรอฮีมแล้วก็วงวานของนบีอิบรอฮีมสถานะตรงนี้ไม่ใช่ได้ง่ายฉะนั้นที่เราบอก ว, ว่าให้ความเมตตาให้ความจำเนรเนี่ยจริงพี่น้องนบีอิบราฮิมได้เยอะมากแล้วก็ถ้าไปศึกษาประวัตินบีอิบรอฮิมเนี่ยพี่น้องไม่ใช่แค่ลักษณะแบบนี้อย่างเดียวนะฮาลีมนิสัยดีอดทนอ่อนโยนอย่างเดียวนะความฉลาดก็เด่น เด็กคนหนึ่งตั้งคำถามว่าใครคือพระเจ้าวิโน้องในสังคมที่บูชาดวงดาวบูชาจเวดใครคือพระเจ้านั่งสังเกตโดยทิศใช่ไหมน่าจะใช่เอาสมุติฐานเอาหายไปสมุติฐานที่ผิดปั้งสมุติฐานใหม่ดวงจันทร์ใช่ไหมดวงดาวใช่ไหมความฉลาดตรงนี้นะวิโน้องปัจจุบันเขาบอกว่ากระบวนการค่อนข้างจะปเป็นวิทยาศาสตร์มากนี่คือนบีบรหีมนะเท่านั้นไม่พอขอต่อรให้เห็นการกระบวนการชุบชีวิต ไกฟาตัวหินเมาตาขอตอนเราอะศรัทธาไม่ศรัทธาแต่อยากทราบว่าคนตายไปแล้วชุชีวิตยังไงเลาให้เอานกเนี่ยทําไมฆ่านกแล้วก็ย้ายไปที่ภูเขาต่างๆแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยนี่คือนบีบรอฮีมสังเกตแล้วตั้งคําถามว่าไกฟ้าเนี่ยคนปัจจุบันยังถามไม่เป็นใ น, ในไกฟ้าอย่างไรเนี่ยคําว่าฮาวเนี่ยเราไม่ค่อยถามนะเช่น ผมเหรอไอคนนี้ดีคนนี้ดีว่าเลวดีเลวคําถามแบบเนี้ยแต่ไม่ถามว่าอย่างไรเลวยังไงอธิบายจะเหตุผลคนปัจจุบันยังถามไม่เป็นหรือว่าออความเชื่อบางอย่างการศึกษาบางอย่างเนี่ยอ้าวภูกลมแบบนี้อันนี้คนนี้ว่าฮามคนที่ว่าฮาราสมูบาทําได้ก็ยึดแบบนั้นน้อยคนที่จะถามว่าฮาวไกฟ่าที่ว่าฮารามไม่ได้เนี่ยหลักฐานตรงไหนล่ะ ที่วะฮารานได้เนี่ยหลักฐานตรงนั้นอย่างไรละ่ะที่วะฮาร้านฮรอมที่มาอย่างไงเนี่ยไกฟ้าเนี่ยคนปัจจุบันในมิโนงกี่พันปียังถามไม่เป็นเลยแต่น บ, บิลอยทินถามไกฟัต้องยินเมาตาชุบชีวิตคนตายชุบยังไงอยากเห็นกระบวนการมูซิมในปัจจุบันคําถามนี้ไม่ใคยถามคําว่าไกฟ้าถ้าคนที่พูดถ้าเราชอบเขาเราก็เลือกจะเชื่อเขาไม่เดี๋มองกระบวนการคําตอบเข้ามาอย่างไงถ้าคนนี้ไม่เชื่อใช่ไหม เราทำยังไงล่ะไม่ได้โตแย่งคำตอบเขาเรา d i s c r e d i เขาคนที่มันพูดไม่จริงทำไมล่ะเพราะมันเลวจริงจริงไม่เกี่ยวกันนะเออถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงก็ไม่จริงอย่างไรล่ะโตแยงเป็นระเด็นไม่ใช่บอกที่ผมพูดไม่จริงทำไมล่ะเพราะผมนิสัยไม่ดีสิ่งที่มันพูดก็เลยไม่จริงไปด้วยตากะวิบัตนาเออจะพูดจะเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยคำว่าไก่ฟ้า h าว How เนี o w, HOW อย่างไรเนี่ยยังถามไม่เป็นแต่นบีบรูฮิมถามเลีวเมื่อมิลกิพันธ์ปีที่ผ่านมานั่นคือความฉลาดของนบีบรูฮิมไม่ใช่แค่ดีอ่อนโยนอย่างเดียวแต่ฉลาดเป็นเลิศไม่ใช่ฉลาดธรรมดาไป น, น้องฉลาดเป็นเลิศนะแล้วก็โอ้แล้วดูเองกันคือถ้าไปน้องจะดูคือนบีนทุกคนนดีหมดไปน้อง แล้วก็เราก็สามารถเอามาเป็นแบบอย่างนาบียูซุฟดีไม่ดีนบีมุฮัตดีใหญ่เลยนบีมูซาก็ดีนบีอีสาก็ดีแต่คนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้พี่น้องศึกษาและก็เรียนแบบคือนบีเบรอฮีมนบีดีทุกคนแหละแต่ฝากไว้คนนึ่งพี่น้องนบีเบรอฮิมม่นจะดีแง่เดียวดีในหลายแง่เก่งด้วยฉลาดด้วยนิสัยดีด้วยหลายอย่างพี่น้อง ฝากไว้คนหนึ่ ง, งวินอกนะเวลาอ่านประวัตินอิบรอฮิมแล้วสนใจนะเอ๊ะเป็นยังไงก็อ่านถึงเนี่ยสรุปเลยสั้นๆอินนะอิบรอฮิมมากแท้จริงอิบรอฮิมนั้นละหาีมุนอดทนต่อความโกรธนะครับเอาวาหุนออนโยนมูนีบแล้วก็หันหน้าก็หาอลัลลอ์เสมอผูพันกับอลัลลอ์มากอภรยามาไว้ที่มักกาเนี่ย ด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะทาแต่ต่ออัตตอลนี่คือนบีลอเฮนเป็นพ่อที่เยี่ยมเป็นลูกที่ฉลาดเป็นนบีซึ่งทำไมล่ะน่าชื่นชมด้วยท้งความเมตตาแล้วก็ความเริมเอิญวันนี้จบแค่นี้นะครับในท้ายของเวลาในวันนี้ผมสรุปสั้นๆประเด็นไม่เยอะเพราะเป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์ตอนไหนเหตุการณ์ตอนที่มีคณะอเมารากิกา เป็นคณะนามาหลายคนเดินทางจะไปหานาบดุลเลระหว่างทางมาแวะหานาบดุลเบาะอีมแวะทําไมละ่ะมาบอกเรื่องนบดุลเลด้วยแล้วก็เอาข่าวดีมาบอกด้วยซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เกี่ยวข้องกับภรยาคนหนึ่งของอบดุลสมาอบดุลเบาะีมคือพระนางซาร่าซึ่งปกติเราไม่เคยคุยกันเราคุยกับมานัญหายัดแล้วก็ทางปฏติศาสตร์เนี่ยเวลาใครต้องการที่จะโยง ความประเสริฐของเผ่าพันธุ์ตัวเองเนี่ยพี่น้องวเวลาพูดถึงศาสนาพุทธอยากให้มันเป็นเกี่ยวกับมุสลิมทาําไงโยงว่าเป็นลูกนบีบรอฮิมโยงในบีบรอฮิมหมดเอาคนทางมลายูเนี่ยเอเชียตะวัน อ, ออกเฉีใต้อยากจะได้ความประเสริฐ ต, ตรงนี้โยงหาใครโยงหานาบีบรอฮิมเป็นลูกหลานของกัตัวเขาภรรยาคนหนึ่งคือจริงไหมจริงอีประเด็นหนึ่งแต่ว่าทุกคนเนี่ยให้เกียรตินบีบรอฮิม อยากจะมีความเกี่ยวข้องกับนบีบรูฮิมก็เลยโยงให้เกี่ยวข้องอะเรามองในแง่นี้นะครับหลายอย่างในปริศนาในพี่น้องตัวเลขผิดเพี้ยนได้เช่นพระนางซาลาตายอายุเท่าไหร่บางคนบอกร้อยสิบเจปีบางคนบอกว่ามากกว่านั้นพระนางซาลากับพระนางหายาครยตายก่อนอบางคนบอกซาลาตายทีหลังบางคนบอกหายาคาตายก่อนตายทีหลังรายละเอียดแบบนี้ไม่ได้ส่งผลต่อความศรัทธา ตอนที่มีลูกลูกอายุเท่าไรใซาลาี่วะแกเนี่ยอายุเท่าไรบางคนบอกเกาสิบางคนบอกน้อยกว่านั้นบางคนมองามากกว่านั้นว่าเราละล่ำรายละเอียดของของเหตุการณ์ไม่ส่งผลต่อความศรัท ธ, ธานะครับฟังมาก็รับไว้แต่ไม่ต้องว่าร้อยยีร้อยใครร้อยยีมาเนี่ยมันต้องผิดอ๋อไม่ใช่เป็นการประมาณการทางประวัติศาสตร์อ้าวฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับบิลลาฮิตอฟิบันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะา์มัตลุลลอฮิวะบารากาตุ